ชัดเจนของจีนก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตกกันใหญ่นั่นเมื่อสอาวัที่แล้วไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรต่อจกนี้ตามมาคือคนก็แตกตื่นกันมีความตกกังวลเพราะว่าเศรษฐกิจจีนก็ตัววันนี้ก็คอยปรัคอย คอยคำยั น, นเศรษกิจโลกไม่ให้สุดลงไปมากกว่านี้เนยกว่าจีนก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่นักท่องเที่จีนก็ไปช่วยทำให้เศรษกิจในหลายประเทศนะยังพอส่งตัวอยู่ได้รวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่พอเศรษฐกิ จ, จีเริ่มแย่พูเริ่มตก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 เวลาสังข่าวที่มันมันบอกอะไรเราบ้างนะอันหนึ่งที่มันบอกได้ใช้คือบอกบอกเรื่องความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงอะไรที่มันขึ้นนะมันไม่สามารถจะขึ้นไปได้ตลอดก็ต้องลงเหมือนเครื่องบินนะเครื่องบินมันจะบินสูงแค่ไหนก็ตามนะในท่สูงมันต้องล่อนลงพื้นดินนะถ้าไม่ล่อน แบบซอฟต์แลนดิ้หรือแบบแบบราบรื่ก็ต้องตกลงมากระแทกความไม่เทีย่ยงก็แสดงให้เห็นหนาจากเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งภาวะของตลาดทุนหรือเศรษฐกิจด้วยไม่มีอะไรที่มันขึ้นแล้วมันไม่ลงใครจะการขายต้องสะท้อนถึงว่ามันมีคนจตนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตันหนักเรื่องอดัดจัง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 เรี่าประมาทซึ่งมสาสะท้อนความไม่รู้นความไม่รู้ก็เรียกว่าความหลงก็ได้ไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องความเป็นอนิจจังนะแล้วก็พอมันขึ้นก็ดีใจพอดีใจก็อาจะลืมตัวมีเงินได้เงินมาก็ใช้ได้เงินมาก็เที่ยวแต่ถ้าคนที่เขาเขา เขารู้จริงเนี่ยหรือว่าเขาตระหนักในเรื่องของอนิจจังนี้เขาก็จะไม่ประการที่หนึ่งคือว่าไอตอนที่มันขึ้นขึ้นขึ้นเขาก็ก็จะไม่ปลื้มไม่ดีใจมากไม่ลิงโลดนะได้เงินมาเท่าไหร่ก็อาจจะเก็บเก็บออมมาไว้ไม่เที่ยวไม่ใช้พรอะไรเพเผื่อเผื่อมันตกเผื่อมันแย่ถึงตอนนั้นก็จะได้มี มันก็มีบอบกันกระแทกเนี่ยพอมันตกมาเออก็ไม่ตื่นตกใจมากเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไอ้ปรากฏการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นไปในทุกวงการนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องหุ้นนะอย่างเช่นเรื่องยางเนี่ยแต่ก่อนยางก็ขึ้นกิโลละร้อยสี่สิบออ้คนก็ดีใจดีใจกันทวนหน้า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 รถที่มีก็ต้องขายขายรถโทรยังพอไม่หมดที่จริงถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องก่อนนี้จังนะมันก็จะไม่ไม่พลีารามเวลาราคายางขึ้นก็เออก็เผื่อใจไว้ว่ามันมันเป็นของชั่วคราวนะถ้ามันไม่ขึ้นมากกว่านี้ก็ตกมีแค่นั้นหละ งันถ้าร่วงนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ลิงโลดได้เงินมาก็ใช้จ่ายถ้าที่ควรไม่เอาไปซื้อน่นซื้อนี่สารพัดนะเก็บเอาไว้บ้างเผื่อว่าถึงเวลาที่มันตกนะกไ็ได้มีมีเงินสำรอง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 ประเภทว่าไม่รู้ตัวนี่ทั้งที่มันอันกราอแจ้งว่าแสดงตัวอย่างเช่นคนที่เคยมีสุขภาพดีนะพอถึงเวลาเจ็บป่วยนี่ก็โอ๊ยทำใจไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะก็เป็นคนที่เป็นทุกเพราะราคาหุ้นมันตกนะหรือว่าราคายามันตกนะ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 ใช้จ่ายยากจะป่วยหรือที่สำคัญก็คือเตรียมใจ <Okay. S 1> เตรียมใจเออถ้าเราป่วยแล้วก็ก็ได้ไม่ทุกข์นะแต่ส่วนใหญ่ไม่อย่างนกันนะพอป่วยเขาก็ก็จะโวยวายตีโพยตีไปทาไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นเราวิเศษมาจากไหนนะถึงถึงคิดว่าจะไม่ป่วยนะใคนะยๆเขาก็ป่วยกันงนั้น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 อย่าไปคิดว่ามันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนสะักวันหนึ่งก็จะแปรเปลี่ยนไปเมืองกับวัดเราเนี่ยวัดเรา เ, ออเคยมีน้ำใช้บริบูรณนะ์นะไม่ไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะแล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าสักวันหนึ่งความเนญจจังก็ปรากฏนะเช่น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 อย่างสุขสบายท่านใช้คำว่าอ า, าพาธน้อยอ า, าพาธน้อยกปลว่าเจ็บป่วยน้อยคือท่านมองว่าเนี่ยคนเราทุกขณะมันไมไ่สบายหรอกมันมันมีทุกอยู่กับตัวตลอดเวลาอยู่ที่ว่าทุกมากหรือทุกน้อยอตอนนี้เนี่ยถึงแม้เราคิดว่าเราสบายจริงมันก็คืออ า, าพาธน้อยอ น, นั่นเองวันหน้านี่จะอ า, าพาธมากกว่านี้อก็อาจจะล้มหมอนนอนเสือ่อ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 ปกติรับรื่นผู้คนสมัครคีกันแต่วันหน้าก็อาจจะทะเลาะบอกแว่งกันนทําอะไรลําบากถึงตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเร่งทําความเทียนซะข้อที่ห้าวันนี้หมู่สงยังสมัคคีปรองดองกันนะแต่ว่าวันหน้าก็าจะทะเลาะบอกแว่งกันถึงตอนนั้นก็ทํำความเพียรลําบากต้องทําความเพียนแต่วันนี้ที่เจ้าสอนให้เราลึกถึงความไม่เที่ยง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 วันหน้าก็เสียไปวันหน้าก็หายไปเสื่อมไปเออแต่ขณะที่มันยังอยู่กับเราก็ดูแลรักษาใชใ้เกิดประโยชน์แล้วก็เผื่อใจไปด้วยนะว่ามันไม่ใช่ว่ามันของไม่เที่ยงถึงเวลาที่มันเสื่อมเสียไปก็จะ ไ, ได้ไม่ทุกข์กับมันมากนื่องจาเราคิดอย่างนี้ก็จะรู้ก็จะตระหนักว่ามันต้องไม่ประมาทับอะไรเลยสักอย่าง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 การมีชีวิตเนี่ยอย่างชาวผู้ที่เป็นเป็นชีวิตที่มีความระแัดระวังมีสติตลอดเวลาไม่ใช่มีสติอยู่เฉพาะเวลาเดินตรงกลมเวลาปฏิบัติแต่ว่ามีสติการใช้ชีวิตมีความไข้ควรกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่เป็นสุขภาพเมื่อจเป็นข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็น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 อันถ้าเราในยามที่เราได้เจอประสบสิงนี้เป็นโลกธรรมนะโลกธรรมโลกธรรมฝ่ายบวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นได้ลาบได้ได้ยศสารเสรอือหรือว่าสุขไอ้คำว่าสุขนี่ว่ามีความหมายกว้างมากเลยนะอาจจะเรามานถึงว่าโอ๊ยข้าวของที่ขายนี่มันมันเป็นที่นิยมนะราคาราคานี่ราคาดีมากนะ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 อีกแง่หนี่ก็ทำใจไว้ก็เออเมื่อมันเกิดขึ้นได้ไม่ทุกหรือว่าไม่ตื่นตหนกตกใจไม่โวยวายอีกแง่หนึ่งก็เตรียมตัวด้วยเออถ้ามันตกลงมาทำยังไงอย่างเช่นคนที่ทาค้าคนที่ทำมาค้าขายก็ต้องอาจจะมีแผนสองนะเกิดขายไม่ออกทำยังไงเดี๋ยวนี้มันเร็วมากเลยนะแต่ก่อนนี้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 มันมันพลิกเร็วมากนะเวลาแค่ไม่กี่ปนะียุคนี้มันเป็นยุคที่อะไรอะไมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากเพราะนั้นต้องเผื่อใจไว้ขะาด้วยกันมองใกล้ตัวเข้ามานะไอ้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องรูปเรื่องนาเรื่องกายเรื่องใจ น, นี่ก็เหมือนกันถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยนี่บางทีเพียนนะ อย่างมีหมอคนหนึ่งก็เป็นหมอที่ช่วยเหลือผู้ป่วะสุดท้ายได้ดีเอาใจใส่แนะนำให้เขาวางจิตวางใจบางทีคนไข้อยากฆ่าตัวตายเพราะปวดมากก็พูดเตือนให้เขาให้เขาให้เขาเริ่มให้เขาเปลี่ยนใจหรือว่าบางคนก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องความตายแลย้วก็พยา ย, ยามเตือนให้เขารู้จุดความตายเวลาตายตา ย, ตายสงบแต่ครั้นตัวเองป่วยเนี่ย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 เพื่อว่าเวลามันเกิดเคยกลางขึ้นก็จะได้มีมีทุนสำรองเอาไว้รับมือกับมันไม่เสียผู้เสียคนหรือว่าเสียสูญง่ายๆ